ไอวอรี่ซิตีก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งพรลเซียยังมีเจ้าชายคนหนึ่งนามว่ามาโคเจ้าชายมาโคเป็นชายหนุ่มที่รูปงามเป็นอย่างมากแต่เขามักจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพอเจ้าชายอายุได้21ปีราชาได้เรียกเขาเข้าพบลูกรัก ตอนนี้เจ้าอายุครบ21ปีแล้วมาถึงเวลาที่เจ้าต้องออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆกับเพื่อนบ้านของเราแล้วลหรเพื่อนบ้านของพวกเรางั้นเหรอใช่แล้วอาณาจักรที่สงบสุขที่สุดอาณาจักรเพื่อนบ้านของเราข้าจะส่งเจ้าไปยังอาณาจักรไอวอรีซิตีเพื่อให้เจ้าได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพักร้อนงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยมันไม่ใช่การพักร้อนเจ้าจะต้อง ไปในฐานะสามัญชนและจะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจะต้องอยู่กับลูกชายของท่านรัฐมนตรีแดนแซมเจ๋งสุดๆเลยข้าและเพื่อนรักของข้าออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปปฏิบัติภารกิจลับสุดยอดิ้วิ้วเมื่อพูดเช่นนั้นเจ้าชัยมาโคก็ออกไปราชาได้แต่ถอนหายใจอ๋ออ๋อออ ข้าสงสัยจังว่าลูกข้าถูกกำหนดชะตากรรมมาแบบไหนวันต่อมาจ้าชายมาโคและลูกชายของรัฐมนตรีแซมได้เดินทางไปยังอาณาจักรไอวอรีสิตีการเดินทางใช้เวลาอยู่หลายวันผ่านทั้งป่าแม่น้ำและเมืองมากมายจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงป่าลึกซึ่งเป็นเขตแดนของอาณาจักรไอวอรีสิตีข้าเหนื่อยมากเลยข้าอยากจะพักสักหน่อยโอ้แน่นอนเพื่อน พวกเราอยู่ในไอวอรี่ซิตี้แล้วได้หยุดพักสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะงั้นเจ้าไปหาแม่น้ำแล้วเอาน้ำมานะส่วนข้าจะไปหาของกินมาให้เจ้าชัยมาโคพยักหน้าและควบม้าออกไปเมื่อมาโคมาถึงแม่น้ำเขาวางขวดน้ำลงแล้วก้มลงเพื่อจะดื่มน้ำแต่ในขณะที่เขาก้มลงไปในเงาสะท้อนของน้ำเขาพบกับใบหน้าที่งดงามและเขาล่มหลงในทันที เจ้าเจ้าเป็นใครในขณะเดียวกันแซมที่กำลังเตรียมอาหารบนเสือเริ่มสงสัยว่าเพื่อนของเขาอยู่ที่ไหนทำไมเขาถึงไปนานจังนะฮ่าฮ่ามาโกมาโกแซมรีบวิ่งไปที่แม่น้ำในทันทีเขาพบว่าเพื่อนของเขากำลังนอนสลบอยู่ที่พืน มาโคลืมตาขึ้นในทันทีพร้อมกับตัวสัน่นอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้หญิงที่งดงามคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะใครงั้นเหรอมาโคล่าวทุกอย่างให้แซมฟังข้าเห็นเงาสะท้อนของนางในน้ำและเมื่อข้าสัมผัสไปที่เงานั่นก็มีเสียงกรีดร้องดังกล้องในหูของข้ามันเหมือนกับเหมือนกับว่ามันเป็นแม่มด แซมเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เรื่องจริงอย่างนั้นเหรออะไรนะนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรเพื่อนข้าเจ้าชายข้าคิดว่าเจ้าคือคนที่ถูกเลือกแล้วอะไรนะคืองนี้นะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าหญิงในอนาณาจักรไอวอรีซิตี้เจ้าหญิงเกอไลเซอร์ว่ากันว่านางถูกลักพาตัวไปโดยแม่มดที่เข้ามาแทนร่างนางในอนาณาจักร แต่ว่าไม่มีใครมั่นใจได้เลยเพราะทั้งลักษณะการพูดและการกระทําไม่มีสิ่งใดแตกต่างจากเจ้าหญิงเลยแม้แต่เหล่านางฟ้าและฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้เลยถ้านั้นบางทีมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือโ ง, ง่ๆราชาและราชินีก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันพวกเขายังคงใช้ชีวิตต่อไปและไม่นานหลังจากนั้นผู้คนก็หยุดพูดเรื่องนั้น และทุกคนก็ลืมมันไปจนกระทั่งจนกระทั่งอะไรจนมีเรื่องเกิดขึ้นในวันนี้ไงแซมเล่าเรื่องเล่าให้เจ้าชายมาโคฟังต่อและในเรื่องเล่าบอกว่าในวันหนึ่งจะมีเจ้าชายที่แต่งตัวเหมือนสามัญชนเข้ามาในอาณาจักรไอวอรีสิตี้และมีเพียงดวงตาของเขาที่จะมองเห็นเจ้าหญิงและมีเพียงหูของเขาที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่มด ถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราพวกเราต้องรีบไปบอกทุกอย่างให้ราชาแห่งไอว r y c i ซ y ้ฟังให้หมดเลยอะอะอะอะ อ, อย่าเพิ่งผีแผลามเจ้าชายพวกเราต้องคิดอย่างมีเหตุผลข้ามีแผนดังนั้นตามแผนของเขาแซมและเจ้าชายจึงไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งในอาณาจักรไอวอรี่ซิตนามีชื่อว่าเรเชต หญิงแก่เรเชตนั้นละโมบเป็นอย่างมากและแซมได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนของเขาตอนที่เขามาเยี่ยมเพื่อนในอาณาจักร Ivory City เมื่อไม่กี่ปีก่อนแซมเคาะประตูและหญิงแก่ช า, าเรเช็ดได้ออกมามีอะไรเหรอข้าและเพื่อนเดินทางมาจากอาณาจักรที่ห่างไกลและพวกเรากะว่าจะพักอยู่ที่อาณาจักรไอวอรีซิตนี่สักสสมวันท่านพอจะมีเมตตาให้ที่พักได้ไหมพวกเรายินดีจะจ่ายให้อย่างงาม โอ้คุณพระข้าไม่เห็นเรียนทองมากแบบนี้มา น, นานแล้วนะเนี่ยเข้ามาก่อนสิตามสบายเหมือนกลับอยู่บ้านเลยนะในวันนั้นขณะที่กำลังเสิร์ฟอาหารให้กับเจ้าชายมาโคลและแซมหญิงแก่เรเชตได้พูดขึ้นกินนี่ไปก่อนข้ามีแค่นี้ละตอนนี้ไว้เดี๋ยวมื้อเย็นข้าจะไปเอาของอร่อยๆจากวางมาให้ก็แล้วกันนะวางอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้ววังโอ้นี่เจ้าไม่รู้เหรอแซมและเจ้าชายทำเป็นไม่รู้เอ่ารู้อะไรอย่างนั้นเหรอก็ข้าทำงานอยู่ที่นั่นเป็นคนใช้ส่วนตัวของเจ้าหญิงเกอร์ไลเซอร์นะสิข้านะี่ยทำผมให้หนางทุกวันและยังเป็นคนโปรดของนางมากๆเลยด้วยเลยเละ่ะข้าได้ยินมาว่านางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> พวกเราโชคดีมากๆไปเลยที่ได้มาอยู่กับบุคคลสำคัญแบบนี้ท่านหญิงเรเชตท่านพอจะมีเมตตาเ อ, อ่อช่วยพวกเราจะโอแน่นอนบอกมาเลยแซมหยิบจี้ในกระเป๋าของเขาออกมามอบให้กับนางนี่ช่วยมอบจี้อันนี้ให้เจ้าหญิงเกไลเซอร์แล้วบอกกับนางว่าข้าเจ้าชายแห่งพารเซีย เจ้าชายมาโคเอามาขอนางแต่งงานนี่ทําให้เจ้าชายมาโคขะหมดคิวยิงแกเรเชตหัวระออกมาฮเจ้านี่เหะเจ้าชายเนี่ยนะแซมก่งคิ้วและนํามงกุฎของเจ้าชายออกมาจากกระเป๋าของเขาเมื่อเห็นมงกุฎเรเชตอ้าปากค้างนางรีบโค้งคํานับและรีบวิ่งออกไปเจ้าจะทําอะไรกันแน่ เดี๋ยวเจ้าก็รู้แล้วนั่นเจ้าจะไปไหนไปซื้อของขวัญให้เจ้าหญิงไงไม่ต้องรอข้านะข้าคงกลับมาช้าหน่อยเมื่อหญิงแก่เรเชตไปถึงวังเธอมอบจีเพชดแด่เจ้าหญิงกระไลเซอร์และบอกทุกอย่างกับนางรอยยิ้มที่ชั่วร้ายปรากฏขึ้นอยู่บนใบหน้าของนางกลับไปบอกเขานะข้าเชิญเขามาร่วมทานเมื่อเย็นพรุ่งนี้เรเชตพยักหน้าและออกไป วันรุ่งขึ้นแซมและเจ้าชายไปยังวังตามคําเชิญของเจ้าหญิงแซมแต่งตัวเป็นเจ้าชายในขณะที่เจ้าชายมาโคแต่งตัวเป็นสามัญชนพร้อมกับถือกลองใบหนึ่งเจ้าหญิงก็เลยเซอร์แซงทําเป็นดีใจที่ได้พบแซมพวกเขาทักทายกันแล้วเจ้าหญิงก็แนะนําให้รู้จักกับพ่อและแม่ที่ดีใจเมื่อได้เห็นเขาในขณะมือค่าแซมถามขึ้นอย่างลุกๆก เฮ้ข้าขอถามอะไรหน่อยนะแต่ว่ามันแปลกๆหน่อยนะที่อาณาจักรของท่านไม่มีสัตว์อะไรเลยนอกจากม้าเออเออเเออเร์ไซคิดว่าพวกสัตว์มอจะอยู่ในป่าน่ะพวกเราจึงปล่อยพวกมันไปอยู่ในป่าโชคดีนะที่นางให้พวกเราเก็บม้าเาไว้อ๋โชคร้ายจริงๆ เพราะว่าข้านำสิ่งนี้มาให้กับเจ้าหญิงแซมปรบมือและเจ้าชายมาโคก็เข้ามาพร้อมกับกล่องเขาเปิดมันออกและแมวตัวน้อยได้กระโดดออกมาเจ้าหญิงกาไลเซอร์กระโดดขึ้นละกรีดร้องออกมานางรีบวิ่งหนีและแมวน้อยก็ยังคงวิ่งตามนางและไหนไม่ช้ามันก็สัมผัสเข้ากับขาของนางทันใดนั้นแม่มดได้ปรากฏร่างจริงออกมา และชุดของเจ้าหญิงก็ลไยเซอร์ได้ล่วงลงบนพื้นทุกๆคนตะลึงอย่างมากอ้ อ, อ, อทหารจับนางเดี๋ยวนี้พลังของนางจะอ่อนแอลงเมื่ออยู่ต่อหน้าแมวทหารจับแม่มดในทันทีและนำตัวเธอออกไปพวกเราเลี้ยงแม่มดมาตลอดหลายปีเลย อ, อย่างนั้นเลยนี่อ๋อไม่นะออ S <S โ อ, โอพวกเราช่างโห่ยิ่งนักโอ้อย่าเศร้าไปเลยฝ่าบาทพวกเรายัางมีเจ้าชายแห่งพาร์เซียตัวจริงอยู่เจ้าชายมาโคล อ, อยู่นี่และเขาเองก็เป็นคนที่ถูกเลือกแซมเล่าทุกอย่างให้ราชาและราชินีฟังพวกเขาช็อกอย่างมากที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเอเอเจ้าเจ้าบอกว่าพวกเรายัางมีหวังงั้นเหรอเจ้าชายมาโคและแซมพยักหนา้า และไม่นานถังน้ําขนาดใหญ่ได้ถูกนําเข้ามาจำเอาไว้นะมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถเห็นเงาของนางได้เมื่อสัมผัสกับเงานั้นเจ้าจะได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่มดหากเจ้าสามารถทนมันได้คํำสาปของเจ้าหญิงจะถูกทําลายและนางจะออกมายังโลกฝั่งของพวกเราได้แต่ถ้าถ้าไม่ได้ละ่ะถ้าข้าเป็นเหมือนตอนที่อยู่ที่แม่น้ําล่ะเจ้าทําได้แน่นอน แต่แม่มดนั่นจะล่อลวงอยู่เสมอก่อนที่พวกเราจะมาถึงราชาและราชิ น, นีเจ้ารู้ไหมแซมเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ข้ารู้จักมาเลยแซมยิ้มออกมาเอาละไปพาเจ้าหญิงของเจ้าออกมาได้แล้วทันทีที่เจ้าชายมาโคก้มลงไปในถังน้ำเขาพบกับเงาสะท้อนของเจ้าหญิงเกลเซอร์เขาวางฝ่ามือลงไปบนผิวน้ำและทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังก้องใบหูของเขา เจ้าชายมาโคปิดตาแน่นยังอดทนจากนั้นไม่นานเสียงกรีดร้องได้หยุดลงและด้วยน้ำที่เปล่งประกายเจ้าหญิงก็เลยเส้อได้ออกมาเมื่อเห็นนางราชาและราชินีก็รีบเข้าไปกอดเธอท่านแม่ท่านพ่อโอ้หลูรัก โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกไม่เป็นอะไรนะอื <c oughs> เออข้าหมายถึงขอบคุณชายพูดนี้ราชาและราชินีอธิบายทุกอย่างให้เกเลเซอร์ฟังเธอมองมาที่เจ้าชายมาโคแล้วยิ้มออกมาเจ้าช่วยข้าเอาไว้ข้าตอบแทนเท่าไหร่คงจะไม่พอเออไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเ <c oughs> พื่อนกันใช่ไหมใช่และเช่นนี้ เจ้าหญิงเกเลยเซอร์และเจ้าชายมาโคกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันภายใต้การปกครองของพวกเขาเกิดการแลกเปลี่ยนมากขึ้นและอาณาจักรเพื่อนบ้านทั้งสองก็อยู่อย่างมีความสุขแต่พวกเขาแต่งงานกันไหมน่ะเหรอพวกเราไม่รู้หรอกนะแต่รู้เพียงว่าแซมถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของราชามาโคและภายใต้การปกครองของเขาอาณาจักรเพลเซียก็กลายเป็นอนาณาจักรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทวีป